ตั้งแต่อโนปริญญาจนถึงปริญญาเอกที่ในตาพูดถึงตำแหน่งหน้าที่ของท่านเหล่านั้นตั้งแต่ระดับเสมียนจนกระทั่งถึงราจการท่านพิเศษเจ้ากรมถึงรัฐมนตรีนี่ก็สอสแสดงว่าธรรมะกำลังเฟื่องฟูหรือกำลังถูกเฟื่นอฟนฟูขึ้นมาทางนี้ก็เห็นจะเป็นเพราะว่า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 การสูดลมออกสูดลมเข้าราบใจที่เรายังมีการสูดลมออกลมเข้าความจริงมันก็ปรากกฏคือเราต้องมีชีวิตอยู่ถ้าเราหยุดหายใจเมื่อไหร่หยุดสูดลมออกลมเข้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็หมายถึงความสิ้นสุดแห่งชีวิตคือตายนั่นเองเพราะฉะนั้น ในคำตอบที่ปัญหาข้อที่ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือชีวิตเนี่ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแน่นอนอีกในหนึ่งการที่เรามาศึกษาธรรมะนี่ที่ว่าศึกษาให้รู้ความจริงของชีวิตเราควรจะได้ทราบคำว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้ทั้งหมด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 โรคผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้าทางหูกลี่นผ่านเข้าทางจมูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นสั้มผัสผ่านเข้ามาทางกายธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาทางจิตใจที่ในสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาเนี่ยถ้าเรากําหนดตัวให้มันดีๆแล้วที่เรารู้ว่ามันผ่านออกผ่านเข้าอยู่เนี่ยกูรู้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 จะเอาวิชาทางแพทย์มาเป็นอารมณ์ภาวนากรรมาฐานเนี่ยไม่ต้องเอาคุดโถหรือยุบหน่อพองหน่อจะใช้ได้ไหมทำตอบก็คือว่าได้ทำไมจึงต้องได้เพราะวิชาหมอวิชาแพทย์ที่เราเรียนมานั่นมันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ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 เวลาเราจะรักษาคนไข้จะรักษาอย่างไรวางแผนไปอย่างไรอะไรในท่อนในทำนองนี้ซึ่งเรายกเป็นหัวาตั้งเป็นปัญหาแล้วก็คิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะคิดจนกระทั่งจิตของเรามันสงบเพราะการคิดอันนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เราบริกรรมภาวนาพุโทโพธพุโทโธพุโทโพุโทพโธก็ความคิดเหมือนกัน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 การทอหูกนี่มันหดสั้นเข้าไปเรื่อยชั้นใดชีวิตของเราก็สั้นเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วก็ได้ความสุดสังเวชได้สำเร็จพระอรหันต์การทอหูกมีคำว่าธรรมะหรือเปล่ามีท่านผู้หนึ่งเดินทางไปเห็นพรยับแดดเตือนเมษามันร้อนมองเห็นพร ย, ยับแดดมันเกิดความระเยิบระยับขึ้นมาก็ไปปรองปัญญาว่าอ้อพรยับแดดนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนาะ จิตก็ดได้ความสังเวชได้สำเร็จพระอาหารหันต์ถ้ายับแดดนี่นะมีคำว่าธรรมะเจอป่นเือปนอยู่ด้วยหรือเปล่าที่นำเรื่องต่างๆที่มาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยอาตมาภาพอยากจะแก้ไขข้อข้องใจบรรดาสังคมนักศึกษาธรรมะทั้งหลายเช่นอย่างบางทีว่าสมถากบวิปสนามีมีในต่างกันอย่างไรเบอไตก้เนี่ก็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 เพียงสิ่งเดียวหรือนึกถึงลมหายใจนึกถึงโครงกระดูกเป็นตน้นแล้วเป็นการนึกอยู่เฉพาะจำกัดในวงจำกัดเฉพาะสิ่งสิ่งหนึ่งเช่นอย่า ง, งพุโทโธพุโทโธพุโทโธก่อนนึกอยู่ที่พุโทโธพุโทโธอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติแบบสมถะแต่ถ้าท่านผู้ใดมีความคิดมากสามารถที่จะคิดมากๆ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 ท่านอาจจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาว่าเสียงนี่มันก็มีสูงสูงต่ำตำ่มีหนักมีเบาแล้วก็มีสั้นมียาวประเดี๋ยวท่านก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาด้วยการกาหนดรู้ปัจจุบันหรือแม้โดยที่สุดท่านอาจจะกาหนดรู้ความเป็นอยู่ในปัจจุบันของท่านท่านนั่งนานๆานแล้วมันปวดหลังนั่งนานๆานแล้วมันเมื่อยนั่งนานๆแล้วมันง่วง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 นักศึกษาก็ต้องเอาพลังแห่งสมาธิไปสนับสนุนการศึกษาเคยให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ว่าวันแต่และ ว, วันล้ ว, วันเราไปเรียนหนังสือวันนี้อาจารย์ท่านสอนอะไรมาพอกลับมาถึงที่พักเสร็จทุลาแล้วให้วิตกถึงวิชาที่เราเรียนมาในวันนั้น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 บางท่านถึงกับเอาพลังของสมาธิไปช่วยสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็ได้อันนี้ถ้าหากมีนักศึกษามาฟังอยู่นี่ลององลองลอ ง, ลอ ง, ล, อ ง, ล, องลองพิจารณาดูลองปฏิบัติดูวันหนึ่งไปเรียนอะไรมาวิตกถึงความรู้อนันนัค้นคว้าพิจารณาเป็นการทวนความจำที่นิยงพ่อบ้านแม่เรือนทั้งหลาย ถ้าท่านผู้ใดเกิดมีปัญหาครอบครัวเช่นยังพ่อบ้านแม่บ้านไม่ค่อยจะลงลอยกันมีมติขัดแย้งกันอยู่ก็ให้พยายามตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเรามีความบกพร่องอะไรยกตัวอย่างเช่นบางครั้งท่านอาจจะเผลอไปเที่ยวดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอ ง, สองกลับมาแม่บ้านทักโบโหบิดโหท่านอย่าเพิ่งไปโกรธ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 จิงจะที่เชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิแล้วได้ผลคุ้มค่าแก่การเสียเวลาวันนี้ได้กล่าวธรรมะเบตเตเลจพอเป็นเครื่องเ ต, เตือนใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่การละเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจดีในการที่จะศึกษาธรรมะปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต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 เวลาปฏิบัติอยู่มีความรู้สึกว่ามือที่วางอยู่บนตักนั่นเกง่งอยากทราบว่าปฏิบัติถูกหรือไม่การปฏิบัตินั้นถูกต้องแต่ว่าการตั้งใจแรงเกินไปเกิดมีการข่มประสาทด้เกง่งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อจิตสงบลงไปสักนิดหน่อย ไอ้ความตั้งเพราะอาศัยความตั้งใจแรงจนเกินไปนั่นจะทำให้มือไม้มันเก่งไปหมดเราจ ะ, ะนั้น้าากว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ทางแก้ก็คือว่าถอนใจใหญ่สักครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปแล้วก็ตั้งต้นปฏิบัติใหม่อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ลอกเป็นประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติ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 เมื่อคำภาวนาหายไปแล้วจิตจะได้ยึดลมหายใจเป็นเครื่องรู้จะได้ตามลมเข้าไปสู่ความสงบอย่างละเอียดนิ่งจนถึงอัปปนาสมาธิจะใช้ลมหายใจพร้อมณะบพร้อมกับนึกกำหนดอาณาปานสติ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 การรับศีลไปแล้วทำาทาผิดบ้างถูกบ้างแต่ว่าไม่ได้เจตนาเป็นแต่เพียงขาดการสำรวมขาดสติทำให้ศีลเศร้าหมองนิดหน่อยทีนี้การที่มารับศีลแล้วรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้มีขาดตกบกพร่องบ้าง ถ้าครอบเปรียบเทียบก็เหมือนๆกันกับว่าผู้ที่มีเสื้อใส่แต่เป็นเสื้อขาดก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่มีเสื้อจะใส่ซสเลยการสมาทานศีลนี่ถึงแม้ว่าจะขาดตกบกคร่องบ้างก็ยังดีอา น, นั่นเป็นเรื่องวิสัยธรรมดาของปุถุชนก็ยะมีการบกคร่องบ้างในเมื่อเราฝึกไปจนคล่องตัวแล้วมันก็สมบูรณ์ไปเอง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 ไปต่อยเข้ามันก็ปีติดศีลข้อสามคำว่าศีละลพตะประมานั้นหมายความว่าอย่างไรกรุณาอธิบายศีลภัตะปรามานคำภีท่านบางแห่งท่านเขียนไว้ว่าการปฏิบัติอะไรรูปรูปคำคำไม่แน่นอนท่านว่าอย่างนั้น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 กระเดกไปทางไหนก็กลัวแต่จะผิดศีลผิดธรรมอะไรทำนองนี้อันนี้อยู่ในลักษณะแห่งสีละพตะปารมาตข้อสี่คำว่าเทวบุตรมารเป็นอย่างไรมีบางท่านว่าเป็นเทวดาที่คอยแกล้งพูดที่ทำความดีจริงหรือไม่เออทาจะว่ากันโดยบุคลาท่ฐานแล้วก็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 อันนี้ล่ะคือเทวบุตรมนันทีนี้ถ้าจะว่าโดยกิเลสที่มันมีอยู่ในตัวของเราเนี่ยเช่นเราตั้งใจว่าจะทำสมาธิภาวนาในวันนี้ลเลยอา้าวพอทำไปทำไปพอจะได้สบายแล้วความคิดอันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาว่ายหยุดดีกว่าไม่ต้องทำอะไรทำนองนี้หมายถึงความคิดที่คอยกระตุ้นเตือนให้เราหยุดพักการกระทานั่น ในลักษณะแห่งความขี้เกียจท่อแท้เป็นเรื่องของเทวบุตรมันเครื่องลางของขรังเรวัตถุมงคลการลมน้ำมนต์การเป่าหัวการเจิมหรือการสักยันติมงคลในศักดิิท์ทั้งหลายมีความจริงหรือไม่เพราะเหตุใดเรื่องที่คำถามที่ถามมานี่เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์นี่มันเป็นสิ่งที่แฝงมาด้วยกัน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 และถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ครั้งตักติดช่วยได้มันก็เป็นบางครั้งบางกล่าวไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไราชั่วประพฤติทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดนี่เป็นมงคลอันอมตะไม่มีความเปลี่ยนแปลงแต่ใครทําได้ทีนี้มงคลอันเช่นน้ํามนต์เป่าหัวทั้งหลายเหล่านี้เจอมอะไรมุนี่มันเป็นมงคลชนิดที่เราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น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 ตามความนิยมของสังคมแต่ถ้าถึงขั้นปรมาัศแล้วไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะนี่เราต้องเข้าใจเป็นสองขั้นตอนขั้นโลกียธรรมขั้นโลกุตตรลธรรมขั้นโลกียธรรมนี่ย่อมมีอัตตาตัวตนมีสมมติบัญญัติมีผู้ชายมีผู้หญิงมีเรามีเขามีทรัพสมบัติมีผู้ถือกรรมสิทธิ์อันนี้เรื่องของโลกีเราปฏิเสธให้ได้ แต่ว่าถ้าจิตของเราขึ้นไปอยู่ขั้นโลกุตระไปถึงในระดับเพียงแค่ว่ามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเฉยๆเนี่ยอย่างในท้ายธรรมจั ก, กปรปวัตตนสูตรที่ท่านอัญญากคนทัญญะลู่รมเห็นทมถ้าภูมิจิตไปสัมผัสถึงขั้นนี้แล้วคําว่าอาตชาตัวตนผู้ชายผู้หญิงไม่มีไม่มีสมมติไม่มีบัญญัติไม่มีเราไม่มีเขา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 ที่สุเบนจัปคีนะท่านเป็นลูกศิศธษ์ของพระพุทธเจ้านะอันนี้คือสมมติบัญญัติที่ท่านจะยอมรับเพราะฉะนั้นการรู้ธรรมนี่ต้องรู้สองฝั่งฝั่งโลกีกับฝั่งโลกุตระทำความเข้าใจให้ดีสัมภเวสีหมายถึงผู้สแสวงหาที่เกิดสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปมาไปเข้าฝันคนโน้นฝันคนนี้นั่นโพทนนไปหาที่เกิดเรียกว่าสัมภเวสี ทีนี้ภูมิหนึ่งในบรรดาสามสิบเอ็ดภูมิสัมภเวสีนี่ก็เป็นภูมิอันหนึ่งในบรรดาที่หลายหลายภูมิซึ่งหลายกว่าสามสิบเอ็ดภูมิอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพบภูมิของวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะอาอันนี้ขอหยุดหนึ่งสิบนาที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 ทำก็สักแต่ว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้กว่าเห็นธรรมในธรรมทีนี้ข้อที่สองเมื่อจิตคิดอยู่ตีสี่เลยความสุขมีอยู่บ่อยๆครั้งจนไม่อยากถอนออกจากสมาธิจะไม่อยูู่บายแก้ไขอย่างไรในขั้นนี้ยังไม่ต้องการอยากจะให้ใช่อุบายแก้ไขเพราะจิต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 จะเป็นสีแสงเสียงหลือดลูกในมิตอะไรต่างๆก็ตามให้ถือเป็นเพียงเครื่องลูของจิตเครื่องเลลึกของสติประคองจิตทำสติไว้ให้ดีแล้วผลดีจะเกิดขึ้นอย่าไปตกใจหรืออย่าไปแปลกใจกับสิ่งเหล่านั้นข้อสี่เวลานั่งสมาธิก็ใช้คาบริกรรมคือสมถะตลอดแต่เวลาเดินจงกรมใช้พิจารณากายที่เดิน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 ในเมื่อเจไม่สงบก็ทำเรื่อยไปทำสติูลและพิจารณาว่ามันไม่สงบเพราะอะไรคอยแก้ไขลนะภาเพียนพยายามทำให้มากๆเข้าเดี๋ยวมันก็เกิดความสงบขึ้นมาเองนักโบยิงแม่ทีมีสิบบินบาทเหมือนพระได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่ความสมัครใจถ้าใครอยากจะบินบาทก็บินได้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 ที่เราเอาบทสวดมาสวดในสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะเนี่ยเกิดจากเรื่องอายุวัฒนะกุ ม, มารที่นี้มีใครอพระพุทธเจ้าพิจารณารู้ว่าอายุวัฒนะกุ ม, มารจะสิ้นชีวิตโดยยักษ์จะมาจับไปกินภายในเจ็ดวันพระองค์ทรงเมตรพระเมตตาก็พาพระภิกษุ ส, สงฆ์ไปสวดมนต์ป้องกันยักษ์เสร็จแล้วยักษ์ก็ไม่มีโอกาสที่จะมาจับกุ ม, มาร น, น้อยไปกินเป็นอาหาร